เจริญพรญาติโยมสตวชิทุกท่านัวข้อวันนี้เนี่ยพูดทำพูดจัดขอให้ตมาพูดเรื่องตายดี360องศาแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องตายดีเนี่ยนะเรามาพูดเรื่องความตายกันก่อนสันิดหน่อยก็คือว่าความตายเนี่ยมันเป็นความจริงที่เราทุกคนมีไม่พ้นเราทุกคนต้องตาย และความตายเนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับเราหรือมาถึงตัวเราได้เนี่ยจากทุกองศาเลยนะความตายสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกทิศทุกทางจะ เ, เป็นเหนือตายออกตกก็ตามยังจะเรียกได้ว่าความตายอยู่รอบตัวเรานะไม่มีทิศไหนที่ไม่มีความตายเกิดขึ้น และไม่มีทิศไหนที่ความตายไม่สามารถจะมาถึงตัวเราได้อันนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายนะสำหรับหลายคนแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าเราทุกคนสามารถจะตายดีได้ความตายเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน แต่ในเราเหตุกันเนี่ยความตายนะก็สามารถจะนำสิ่งดีๆมาให้กับเราได้คนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวตายเพราะมองเห็นความตายเป็นวิกฤตจริงอยูนะ่ความตายเป็นวิกฤตนะแต่มันเป็นวิกฤตทางกาย แต่สามารถจะเป็นโอกาสทางวิญญาณหรือทางจิตวิญญาณได้ทุกวิกฤตเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยโอกาสความตายเป็นวิกฤตทางกายกายแตกตับแล้วก็คืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่ว่าจิตใจนั้นเนี่ย ความตายสามารถจะเป็นโอกาสได้ภาษาฝ ร, รั่งเยกว่าหน้าต่างแห่งโอกาสความตายเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสของการที่จิตเนี่ยจะยกระดับสู่พวกลุมที่สูงขึ้นหรือไปยิ่งกว่า น, นั้นก็คือสามารถจะเป็นหน้าต่างแห่ง โอกาสคือเข้าถึงพระนิพพานเลยก็ได้ถ้าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยพูดว่าตอนที่จะตายเนี่ยหรือช่วงขณะแห่งความตายเนี่ยมันคือนาทีทองเป็นนาทีทองชีวิตเป็นนาทีทองเพราะว่าโอกาสที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารจากกองทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเป็นไปได้ในสมัยพุทธการ นะมีเรื่องราวของผู้คนจำนวน ไ, ไม่น้อยนะที่บรุธรรมเป็นพระอรหันต์ในช่วงที่เข้าได้เข้าเข็งเนี่ยหรือที่เราเรียก ว, ว่าช่วงความเป็นความตายและส่วนใหญ่เป็นความตายในช่วงที่ทุกขเวทนาบีกขั้นอย่างแรงกล้าในช่วงที่ความทุกขได้ปรากฏนะอย่างนี้ไม่พ้นเนี่ย มันเป็นโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้พระเจ้าสุทโธทนะพวกเราก็รู้จักนะท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันในขณะที่ป่วยตักแล้วก็ท่านบรรลุธรรมก่อนที่จะตายเนี่ยเรียกว่าทิตเดียวเองส่วนพระติสัเธระนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหัน ในช่วงขนาะเดียวกับที่สิ้นลมสิ้นลมหมายถึงว่าตายนะ ท, นท่านสิ้นกิเลสพร้อมๆกับสิ้นลมเพราะว่าท่านได้เห็นนะว่าสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งจนเกิดปัญญาจิตปล่อยวางเมื่อปล่อยวางก็หลุดพ้นนะปฏิซาเป็น ท่านหนึ่งซึ่งป่วยด้วยโรคที่สังคมรังเกียจนะแผลผู้คลองเต็มตัวน้ำเหลืองส่งกลิ่นเหม็นจนกระทั่งเพื่อนพระนี่ดูแลท่านไม่ไหวทิ้มท่านไปนะพระเจ้าก็เสด็จมาแล้วก็มาดูแลเช็ดนื้อเช็ดตัวใหนะ้เช็ดตัวให้สะอาดเช็ดอุจจาระปัสสาวะที่ท่านนอนจมเอาจีวรท่านไป ไปตะไซักไปต้มท่านก็เริ่มสบายเนื้อสบายตัวขึ้นแต่ว่าทุกเวทนาก็แรงกล้ามากตอนที่ใกล้ตายนี่ผูเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาสั้นๆซึ่งคาถานี้ต่อหลังคนไทยเราเียกว่าคาถาบางสกุลเป็นที่เริ่มต้นด้ว่าอาจิรังวตยังกายโยบอกแปลว่าร่างกายนี้อีกไม่นานก็จะแตกตนะาำอจิรังก็คือมันไม่เนีมันไม่จิรัง ครั้นวิญญาณออกจากรนวิญญาณออกจากร่างและถูกคนละทิ้งร่างนั้นก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินหาเปรือยไม่ได้ไม่ต่างจากท่อนไม้ท่านพิจารณาตามนะก็เห็นโทษของสังขารเลยนะว่ามันมันเป็นทุกข์มากและตอนนั้นความทุกข์มันแสดงตัวอย่างชัดเจนจนกระทั่งหนีไม่พ้นผู้ยันเพื่อสังขารนี่มันมัน มันประกาศมันตะโกนเลยว่าสังขารเป็นทุกหนอหรือว่าสังขาเราขาเป็นทุกโว้ยท่านพิจารณาตามท่านก็เกิดปัญญาจิตหลุดพลเป็นพระอรหันต์ในกาลที่สิ้นลมพอดีนะอันนี้ภาษาพระอรสมาสสีท่านพระนางสมเอดีถูกไฟครอบเผาจนตายดำเป็นต่อตะโกตายทั้งเป็นเพราะไฟครอบนะ พร้อมพร้อมกับบริวารอีกห้าร้อยแต่ผู้จ้าเนี่ยเมื่อทราบข่าวนี้ก็จัดว่าการตายของนางและบริวารจะเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าพูดง่าเป็นการตายดีเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยได้บรรลุธรรมนะหรือว่าได้เลื่อนได้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นเป็นสัโซดาบันสกิทานาคา เพราะว่าตอนที่ฝ่ายกําลังลุกท่วมตัวเนี่ยนะเกิดทุกขเวทนาเนี่ยนาสมาดีก็พิจารณาวิจารณาเวทนาเขาเรียกว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาเวทนาเป็นอารมณ์คือพิจารณาเวทนาจงกระทั่งตอนนั้นเนี่ยมันปวดมันปวดที่ปวดทั้งตัวก็จริงนะแต่ว่าใจเนี่ยสงบแล้วก็ได้เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากปัญญาก็เกิดที่จริงท่าน พระนางสาวมณีนสซอดาบันอยู่แล้วนะท่านก็ได้เห็บรรลุธรรมขัน้นสูงบางท่านเนี่ยถูกเสือกัดตายคาปากเสือแต่ว่าท่านก็บรรลุธรรมในช่วงขณะที่ใกล้จะตายเพราะได้เห็นทุกนะสังขารมแสดงทุกข์สัตว์และเจตก็รู้เลยว่าสังขารเป็นทุกข์มากก็ไม่ยึดติดต่อไปไอ้ที่เคยยึดเพราะขย่มเป็นสุขแต่พอร่วมเป็นทุกข์มากก็ปล่อย เหมือนกับเราเหมือนกับที่เราเคยคิดว่าอไอ้ที่ถือนี่เป็นดอกบัวแต่พอรู้มเป็นกรงจับนะหรือว่าเห็นว่ามันเป็นพอรู้ ม, มันเป็นฐานก็อนแดงๆก็ปล่อยเลยปล่อยเองอันนี้แหละนะเป็นตัวอย่างของผู้ที่บรรลุ ธ, ธรรมในขณะที่กําลังจะตายอาจารย์พุทธทาสบอกความตายเนี่ยมันเป็นนาทีทองก็คือว่ามันเป็นโอกาส ที่จิตสามารถจะหลุดพน้นนะคราวนี้บางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงขั้นอยากจะนิพพานอะไรนะแต่แม่กันนั้นเนี่ยหลายคนก็พบว่าความตายก็สามารถจะนำสิ่งดีๆมาให้กับจิตใจของตัวได้เพื่อนของตอมาคนหนึ่งเธ อ, อเป็นเบรกตันบมเสียที่เตปแล้วเธอบอกว่าในช่วงสองสปีสุดท้ายของเธอเป็นช่วงที่เธอ มีความสุขมากมีความสุขที่สุดมีความสุขกว่ากว่าตอนที่ยังไม่ป่วยเพราะว่ามันทำให้เธอได้เห็นธรรมะแล้วก็ทำให้เธอเนะี่ยได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางเธอปล่อยวางหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ไม่เป็นแมท้ทังเรื่องหน้าตาเรื่องภาพลักษณแล้วก็เรื่องความยึดติดทั้งหลายทำให้เธอมีความสุข คนเราถ้าไม่มีความตายมามาจ่ อ, อยตรงหน้าเนี่ยก็ยังยังหลงยึดอะไรต่ออะไรมากมายและยิ่งยึดมากเท่าไหร่ก็เป็นทุกข์มากเท่านั้นต่อเมื่อความตายมาแสดงตัวให้เห็นแล้วคนได้ตระหนักถึงความไม่จีรังของชีวิตตนเองเนี่ยการปล่อยก็จะง่ายขึ้นและเมื่อปล่อยแล้วใจก็สบายแม้กายปวดแต่ว่าใจเนี่ยไม่ทุกข์ หลายคนได้พบว่ามิตรสหายที่เคยทะเลาะบบาแวงกันก็กลับมาคืนดีกันสามีนะที่ทะเลาะบบาแวงกับภรรยาก็มาคืนดีกันนะการคืนดีสามารถจะเกิดขึ้นได้และมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะกับคนที่ใกล้จะตายก็ทําให้จิตใจเนี่ยนะสงบ หายรุ่มร้อนเพราะฉะั้น่ทงหมดที่พุ่ธที่บอกว่าความตายมันไม่ใช่เป็นวิกฤตเท่านั้นมันเป็นโอกาสด้วยโอกาสแห่งโอกาสที่จิตจะยกระดับขึ้นสูพ่พรูพุทที่สูงขึ้นหรือว่าเป็นโอกาสที่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในวันปลายในเวลาสุดท้ายแต่จะเป็นความสุข อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่กลับมาคืนดีกันคราวนี้เนี่ยอย่างที่จะมาบอกไว้แล้วว่าคนเราต้องตายอันนี้เป็นข่าวร้ายแต่ว่าข่าวดีคือว่าเราทุกคนมีโอกาสที่จะตายดีได้และความและตายดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถจะเรารู้จักมองความตายอย่างรอบด้านอันนี้เรียกว่ามองแบบสามร้อหสิบองศาก็ได้ ถ้าเรามองความตายเพียงด้านเดียวเราเห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้าเรามองความตายให้รอบด้านเราจะพะ่อความตายเนี่ยก็มีประโยชน์ความตายไม่ใช่ศัตรูความตายสามารถจะเป็นมิตรได้การที่เรามองเห็นว่าความตายคือหน้าตาแห่งโอกาสหรือเป็นนาทีทองก็ทำให้ถ้าเราเชื่อจริงๆเราจะกลัวตายน้อยลงและถ้าเราตระหนักว่าตายดีเกิดขึ้นได้กับทุกคนเราก็ พร้อมที่จะเผชิญความตายได้ด้วยใจที่สงบมากขึ้นอัตมาก็พูดในหลายที่นะว่าการตายดีเนะี่ยเป็นสิทธิของทุกคนทุกคนมีสิทธิที่จะตายดนะีการตายดีไม่ใช่ว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่ผูกขานอยู่เฉพาะพระนักปฏิบัติธรรมคนที่อยู่ไกลวัดเด็ก นราหรือแม้แต่ผู้ที่เคยทำความชั่วมาก็มีโอกาสตายดีได้และการตายดีนั้นเนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกเหตุการณ์ทุกสถานที่อุบัติเหตุก็สามารถจะตายดีได้เป็นเอดนะก็ มีสิทธิ์ตายดีได้เหมือนกันวันนี้เวลาพูดถึงว่าตายดีเราหมายความว่าอย่างไหรหลายคนบอกว่าตายดีก็คือหลับตายไปเวลาถามว่าใครอยากจะตายแบบไหนเนี่ยหรือความตายที่คุณปรารถนานเนี่ยคืออะไรหลายคนก็จะพูดเนี่ยคือตายโดยไม่เจ็บปวดหลับตายไปเลย หรือว่าตายโดยที่สบสวยเอวยยอดครบสามสิบสองนะบางคนก็บอกว่าตายดีก็คือว่าตายทำการคนรักตายทำการธรรมชาติตายในบ้านตายในอ้อมแขนของคนรักคนใกล้ชิดหรือตายโดยที่ ลูกหลานญาติพี่น้องไม่ทะเลาะเบาแหวงกันทั้งหมดนี้เนี่ยสรุปได้เป็นสองนะตมาเว่าการตายอย่างแรกว่าการตายดีทางกายภาพ mm. ก็คือว่าไม่เจ็บปวดตายหรือไม่เจ็บปวดหลับตายไปตายโดยที่ร่างกายครบสามสิสองกับการตายดีทางสัมพันธภาพก็คือตายท่ามกลางคนรักตายโดยที่ลูกหลานไม่ทะเลาะเบาแหวงกัน แต่ ม, มีการตายดีประเภทสามคือว่าการตายดีโดยมุ่งที่คุณภาพจิตก็คือว่าตายโดยที่มีอย่างมีสติตายโดยไม่หลงตายหลงตายเป็นคำโบราณแปลว่าไม่ไม่ทุรนทุรายตายแบบมีสติ ตายโดยที่ไม่มีความห่วงหาอะไรหรือว่าตายโดยที่ไม่มีความอาวรณ์พูดง่ายคือตายแบบสงบตายด้วยใจที่สงบแล้วยิ่งกว่า น, นั้นดีไปยิ่งกว่า น, นั้นคือตายด้วยจิตที่สว่างก็คือเกิดปัญญาตัวอย่างที่ธรตมมาเล่าเมื่อตอนตอน้ตนๆน่ก็คือท่านที่ตายดด้วยด้วยจิตที่สว่างก็คือเห็นธรรม เห็นว่าสังขาเป็นทุกข์เห็นว่าสังขาไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ถือท่านเกิดปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมจิตท่านก็หลุดพ้นหรือว่าเป็นธาตุียกเจ้าไม่ขั้นใดก็ขั้นหนึ่งในทางภาษาถามว่าอะไรคือตายดีนะก็จะต้องต่อไปที่ข้อสามก็คือว่าดูที่ จิตใจมากกว่าดูที่คุณภาพจิตมากกว่าอาจจะตายเพราะอุบัติเหตุถูกไฟครอกตายอย่างสามาวดอย่างพลังสามาวดีถูกเสือกัดตายอย่างที่พระูุ้ทโงเทตมาเล่าทางโลกเนี่ยถือว่าตายไม่ดีศพไม่สวยใช่ไหมฮะแต่ว่าในทางธรรมหรือทางพุทธเนี่ยถือว่าตายดี เพราะว่าจิตเนี่ยสงบแล้วก็จิตได้พัฒนาไปสู่พบภูมิที่สูงขึ้นการตายดีพุทธศาสนาเนี่ยดูที่ตรงนี้จะตายคนเดียวก็ได้แต่ถ้าใจสงบ ในทางตรงข้ามเนี่ยแม้หลับตายไปเนี่ยอาจจะตายไม่ดีก็ได้นะในทางพุทธศาสนาคนที่ไหลาตายเนี่ยหรือคนที่หัวใจวายตายขณะที่หลับเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าก่อนที่หัวใจจะวายเนี่ยอาจจะฝันร้ายอาจจะเห็นฝันถึงผีตกใจแล้วก็ช็อกตายไอ้ตอนที่ช็อกตายเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความทุกข์ทรมาน รู้เปล่าส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นเขาตอนที่เขาตายแล้วแล้วก็เป็นตายนะคะที่หลับก็เลยเคชดว่เออเขาตายดีนะแต่นักพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าตายไม่ดีเพราะว่าจิตเนี่ยนะมีความตื่นตระหนกตกใจหรืออาจจะมีความห่วงกังวลก็ได้มีเรื่องเล่าว่า มีคุณคณคณปู่คนหนึ่งอายนะุแปดสิบนะแก็ไปมีปัญหาที่ปัญหาหัวใจก็ไปผ่าแปดสนี่ก็การผ่านี่ถืวเสียงก็รอดนะแต่พอกลับมาที่ลงกลับมาฟื้นตัวที่บ้านเนี่ยได้แค่สามวันแกก็ก็หลับแล้วก็ตายไปนะแก ต, ตายคาที่หลับนะคน แถวนั้นก็บอกว่าเออแกตายดีนะแต่ว่าตามที่เขาเล่านะแกก็ไปเข้าร่างของคนรู้จักแล้วก็คล่ำครวญเสียใจเพราะว่ายังไม่ได้สั่งเสียลูกหลานเลยถ้าหากว่าที่เขาเล่ามาเป็นความจริงเนี่ย เราคิดว่าคุนปู่ที่ตายดีไหมมีความโ่วงกังวลอยู่ที่จริงเนี่ย80ก็ควรจะสั่งเสียได้แล้วนะก่อนเข้าโรงพยาบาลนะหรือที่จริงอายุ70ก็คนจะสั่งเสียได้แล้วนะไม่ใช่ไปปรอรอร อ, อจนกระทั่งออกจากโรงพยบาบาลแล้วก็ยังยังชราาดใจยอย่างนี้เราประมาทนะตรงข้ามอีกรายหนึ่งนะกี่จกรยาน แล้วจู่ๆก็มีรถพุ่งเข้ามาชนข้างหลังเจ้าตัวเนี่ยรู้ตัวว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่แว บ, บเดียวเท่านั้นแหละอาจจะแค่วินาทีเดียวก่อนที่จะรถพุ่งมาชนแต่โชคดีที่เขาไม่ตายเขาก็เลยเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในช่วงวินาทีก่อนที่จะหมดสติคือแกได้เห็นแสงมันว่าขึ้นมา เราก็เห็นหลวงพ่อที่เขานับถือแล้วก็จิตก็เริ่มสวดมนต์แล้วก็หมดสติไปถ้าสมมติว่าเกิดเขาตายเนี่ยเราคิด่าเขาตายดีไหมดีนะเพราะว่าเขาไม่มีความกลัวเลยไม่มีความวิตกอะไรเห็นสองเคสไหมเคสหนึ่งเนี่ยตายแบบหมดลมแล้วก็ตายไปนะ แต่ว่าจิตมันบ่วงหาอาววรยังฮุกอารายอยู่อีกลายหนึ่งสมมุติถ้าเขาตายนะเขาก็ไม่มีความวิตกกังวละไรกรณีแรกเนี่ยจจะเป็นกรณีที่อหลายคนสงสัยนะหัวใจหยุดเต้นแล้วนี่นะและจิตยังรับรู้ได้เลนะจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจหยุดเต้นเนี่มันจําได้แปลว่าตายนะในทางศาสนาเนี่ย เพราะว่าการตายในพุทศาสนาเนี่ยมันมันต้องประกอบไปได้วยสองส่วนและครบถ้วนก็คือว่าการแตกดับทางกายและการแตกดับทางจิตนะเพียงแค่หัวใจหยุดเต้นหมดลมเนี่ยมันเป็นการแตกดับทางกายหรือการตายทางกายหรือการตายทางการแพทย์นะถ้าจิตมันยังไม่แตกดับหการรับรู้ยังเกิดขึ้นได้เพราะจิต ท, ทั้ส่าธิรับรู้ และเพราะเหตุนั้นเนี่ยยังไม่เรียกว่าเขาตายสนิทนะและตอนที่จิตยังรับรู้อยู่เนี่ยจิตก็ยังมีความสามารถจะเศร้าเสียใจวิตกกังวลได้นะอันนี้ประเด็นนี้ยตมาไม่มีเวลาพูดนะแต่ว่ามันมีมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ทําให้เชื่อได้ว่าแม้หัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยแม้หมดลมแล้วเนี่ยยังไม่เรียกว่าตายสนิทยังไม่เรียกว่าตายร้อยเป การรับรู้ยังเกิดขึ้นได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาเห็นลูกหลานเขามานั่งร้องห่มร้องห้าอยู่ข้างเตียงหรือมาทะเลบบาะบาวแว้งกันเนี่ยเขาจะไปดีไหมทั้งที่หัวใจห ย, ยุดเต้นแล้วนะอาตอมาเคยไปไปล่าเลาสักหน่อยก็ได้มีเคสหนึ่งอาตมาเคยไปเยี่ยมมีเคยไปเยี่ยมแม่ของเพื่อน อยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพ์อัตมาลงจากดอนเมืองก็รีบตรงไปที่โรงพยาบาลภูมิพลไปถึงก็บอกว่าคุณยายหมดลมแล้วหใจหยุดเต้นแล้วไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแปดตอนนี้ตอนนั้นประมาณอัตมาไปถึงเก้าโมงครึง่งคุณยายก็หมดลมไปแล้วแปดโมงครึง่งอัตมาก็ยังเชื่อว่าคนที่หมดลมแล้วเนี่ย เป็นไปได้ที่เขายังสามารถจะรับรู้อะไรได้ติดเขาคงอยู่แต่ทางนั้นละนะก็สนทนาแล้วก็นำทางให้เราลึกถึงคุณงามความดีถึงบุญกุศลแล้วลึกถึงพระรัตนตรยัยแล้วก็ให้ปล่อยวางสิ่งทั้งปวง แล้วก็ลูกสาวเขาก็ขอให้อัตมารับสังกทา น, ก, านก็ทำพิธีสังกทานเสียอัตมา ก, กรวดน้ำทำเงินว่าคุณยายยังรับรู้ได้ตอนนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอการสัญญาณชีพอะไรต่างๆสายอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ถอดออกมาจากร่างกายนะอัะตอมาอยู่กับคุณยายมาสัก15ทีก็รีบ เดินทางต่อก็มีอีกงานหนึ่งลูกสาวเขาตอนหลังก็มาบอกว่าตอนที่ธรรมาคุยกับแม่เขาเนี่ยไอ้สัญญาณหัวใจเนี่ยมันมันขึ้นนะจอมอนิเตอร์เนี่ยสัญญาณหัวใจของแม่เนี่ยมันขึ้นแล้วพอธรรมากลับสัญญาณก็ตกนะอาจจะเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นไปได้ว่าคุณยายยังรับรู้ว่ารับรู้สิ่งที่อรรมาพูด มันมีเกรดแบบนี้เยอะแยะนะที่ไม่มีเวลาที่จะสาธยายนะแต่ประเด็นคือว่าหัวใจหยุดเต้นหมดลมเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่าตายเฉยอย่าเพิ่งเพ่อย่าเพิ่งไปคิดว่าการรับรู้หมดสิ้นนะการรับเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะนั้นการที่เรายังทำอะไรกับคนกับผู้ป่วยซึ่หมดลมแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถจะทำได้ในเรื่องการนาใจให้เขาไปดี านี้เนี่ยตายดีเนี่ยนะถ้าจะมองให้ละเอียดอีกหน่อยเนี่ยสำหรับชาวพุทธเราเนี่ยหรือคนทุกโดยเฉพาะชาวพุทธนะฮะเราจะมองการตายดีเนี่ยดูจากช่วงก่อนตายช่วงระยะสุดท้ายเช่นทุรนทุรายไหมหรือว่าสงบกลับดูอีกทีก็คือว่าตายแล้วไปไหน ตายแล้วไปไหนเนี่ยนะเช่นไปสุกติหรือว่าไปอบายในในพุทธประวัติเนี่ยจะมีเรื่องราวของคนที่ที่ที่ตายแล้วเนี่ยไปสุกตนะิเราก็เรียกว่าตายดีบางคนตายแล้วไปอบายซึ่งไม่ไำเป็นต้องเป็นคนชั่วนะนางมริการเทวีซึ่งเป็นเมสสิบเจ้าระเสนิโกสน ก็เป็นคนที่นําพาพระเจ้าปเาปเ็นนิโคสนเนี่ยทําบุญศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ดีตายแล้วก็ลงนรกนะอันนี้เราก็เรียกว่าตายตายไม่ดีแต่ว่าพวกเราเนี่ยนะเราไม่มีทางที่จะรู้บุตรชนอย่างเราเราไม่มีทางที่จะรู้ว่าตายแล้วไปไหนแต่เราสามารถจะดูได้ว่าใครตายดีก็ดูจากว่าตอนที่ก่อนตายเนี่ย เขาทุรนทุรายไหมเขามีการตาเบลอพโพรงหรือว่าเขาไออาวยวายไหมเขากระตุกอะไรไหมเนี่ยเราดูตรงนี้แล้วถ้าเราเห็นว่าเออเขาไปอย่างสงบคือไม่ทุรนทุรายเขาอาจจะมีสติรู้ตัวด้วยซ้ําไม่กี่นาทีก่อนที่เขาจะหมดลมอย่างนี้เราก็เรียกว่าตายดี และอันนี้แหละที่คนส่วนใหญ่นะที่อาจจะไม่นับถือพุทธเขาก็ดูนี่แหละ ว, ว่าตายดีหรือไม่ดีคอนนี้เนี่ยอาตมาจะพูดรวมๆนะว่าการตายดีเนี่ยจะดูทั้งช่วงที่ก่อนตายแล้วก็รวมไปถึงว่าตายแล้วไปไหนนะจากมุมมองของพุทธศาสนาว่าอะไรเป็นอุปสรรคทําให้ อะไรอุปสรรคทําให้ตายไม่ดีและอะไรและวิธีการที่จะทําให้ตายดีเนี่ยทำอย่างไรอุปสรรคของการตายดีนะหรือว่าอุปสรรคที่ทําให้ตายไม่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5ประการใหญ่ๆนะอันที่1คือความกลัวกลัวโดยเฉพาะกลัวตายและบางคนเนี่ย กลัวตายไม่พอนะกลัวตายคนเดียวด้วยนะแล้วก็จะมีอาการยื้อทุรนทุรายบางทีก็โวยวายหมอผมยังไม่อยากตายผมยังไม่อยากตายหมอช่วยผมด้วยบมคนก็พูดจนกระทั่งพูดไม่ออกสีหน้าแววตาก็บ่งบอกถึงความทุกข์นะและบางคนอาจจะแสดงอาการ โดยที่ไม่บอกตรงๆว่ากลัวมีนายตำรวจคนหนึ่งเนี่ยนะอายุอาจจะประมาณสักก็ใกล้เกษียณแล้วมัง้งแกก็เป็นมะเร็งแล้วพอเป็นมะเร็งและสุดท้ายเนี่ยนะเมื่ออยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยภรรยาแล้วก็ลูกชายก็จะผลัดกันมาเฝ้าแต่ตลอดเวลาเนี่ยคนไข้คนนี้เนี่ยแกจะจะเรียกร้องเอาน้นเอานี่ตลอดเวลา ตอนเช้าก็ให้ลูกให้ภรรยาไปเอาโน่นหรือว่าให้พลิกตัวพาเข้าห้องน้ำกลางคืนก็ไม่ยอมหลับก็จะเรียกเอาโน่น น, นี้ให้พลิกตัวไปทางซ้ายเดี๋ยวสักพักก็บอกให้พลิกตัวมาทางขวาเดี๋ยวสักพักก็ให้ช่วยเค้นหมุนเตียงเป็นอย่างเงี้ยสองสามอาทิตย์นะ จรงทังลูกชายสติแตกลูกชายเนี่ยสติแตกมากจับคอเสื้อพ่ออย่างขยาวพ่อจะเอายังไง เ, เ, เอาเรียกร้องเอาน้ดเอานี้ไม่หยุดผมจะประสะบทอะไรไปด้วยนะ <c oughs> เพราะโกรธมากเกรี <c oughs> ้ยลูกชายเนี่ยจะไม่รู้นะว่า ที่พ่อทำเนี่ยพราะพ่อกลัวตายแต่พ่อเนี่ยเป็นนายตำรวจอาจจะไม่ยอมรับว่าตัวเองกลัวคนเราเนี่ยกลัวแล้วไม่ยอมรับว่ากลัวเนี่ยมันแย่กว่าที่รู้ตัวยอมรับรู้ตั ว, วกลั ว, วนะอาการกระพริบตัวกระสรับกระส่ายของขอ ง, ของคนไข้คนเนี้มันเกิดจากความกลัวถ้าเป็นผู้หญิงจะไม่มีอาการแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่ายอมรับว่าตัวเองกลัวนะแต่ผู้ชายและตํารวจด้วยเนี่ย ยอมรับไม่ได้ตัวเองกลัวก็พยายามกดพยายามที่ปฏิเสธแต่คนบางคนเนี่ยกลัวแล้วเขาก็พยายามที่จะทํำหลายอย่างเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจหรือเพื่อที่จะทําให้มั่นใจว่ามีคนอยู่เขาบางคนไม่ยอมหลับนะกลางคืนไม่ยอมหลับเพราะคิดว่าเพราะกลัวว่าหลับก็จะตายไปเลยและถ้าตายตอนนั้นเนี่ย จะไม่มีใครอยู่ด้วยเพราะคนดูแลวก็หลับเหมือนกันนั้นก็จะไม่ยอมหลับจนทั้งตาที่เป็นแพนด้าเลยนะเป็นหมีแพนด้าเลยแล้วก็จะคอยเรียกร้องเรียกร้องเรียกคนโน้มคนที่ตลอดเวลาเพื่อให้โผล่หน้ามาให้เห็นว่ายังไม่หลับแล้วก็ตอนจะตายเนี่ก็จะทุรนทุรายมากถ้าหากว่าไม่สามารถจะช่วยเขาเนี่ยคลี่คลายความกลัวได้ประการที่สองเนี่ย ก็คือความห่วงหาอะไรความอะไรยอาวรนห่วงอะไรห่วงลูกมีพู้ยญงคนหนึ่งแก่เป็นมะเร็งนะแล้วก็อยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะพูดถึงลูกลูกคนสุดท้องอายุสิบขวบเป็นผู้ชาย เป็นห่วงลูกเพราะว่าพี่ชายของเขาสองคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยติดยาแล้วก็ติดคุกแม่ก็กลัวว่าลูกคนสุดท้องจะจะ ล, ะลอยๆตามพี่ชายพอตายนะตอนที่ตอนที่ไม่ตายเนี่ยก็ทุรนทุรายนะพอตายตาก็เบิดโพรงทํำยังไงก็ไม่ไม่ยอมไม่ยอมหลับตา จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยญาติผู้ใหญ่มาก็รู้ว่าผู้ตายเนี่ยห่วงลูกจุดทูปก็เลยจุดทูปเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะดูแลลูกคนสุดท้องให้นะซึ่งเป็นหล้านคนที่จุดนะนะไม่ต้องห่วงนะพอจุดทูปเสร็จแล้วเนี่ยพอก็ไปปิดตานะบอกว่าปิดได้นะ ทันทีก่อนนั้นนัดปิดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมปิดอันนี้ก็แสดงว่าแสดงว่าเ้ามีความห่วงห่วงความห่วงความห่วงหาอะไรเนี่ยมันจะแสดงการมาได้หลายอย่างเช่นตาเปิดหรือว่าจะมีการกระสับกระส่ายมันเป็นการพยายามการที่ตัวต่อสู้กับความตาย บางคนผมพี่ในกรรมนะมีคนหนึ่งแกเป็นไตาวายแล้วก็ล้างตายมาหลายปีเจ้า แ, แกก็รู้ว่าล้างตายแบบนี้อยู่ได้ไม่เกินสิบปีนั้วนี่ใกล้แล้วก็กลวกเลยบอกลูกว่าให้เรียกทนายความมาทำพิณในกรรมลูกเนี่ยเห็นว่าเป็น เป็นลางร้ายเป็นล้างไม่ดีก็แก้งทําลืมไม่เกียรติหรือไม่กี่เดือนต่อมาก็ไปล้างตายตามปกติพรากว่าความดันขึ้นช็อกเอ๊ะเส้นเลืสมองแตกก็ยืด อ, อยู่ที่โรงพยาบาลอีกสองวันไม่สําเร็จตายตอนที่ตายเนี่ยตายแกหน้านีา่คือขอโมยเลยนะหน้านี้คือขอโมยก็สนนิษฐาน<า>ว่ายังมีความห่วงอะไรบางอย่าง เราคิดว่าสิ่งที่ห่วงคือพี่นายก ร, รมยังไม่ได้ทําอันนี้ก็เรียกว่าตายไม่ดีเหมือนกันนะมีคุณรุนคนหนึงแกชอบพาคนเข้าวัดพาคนไปต่างจังหวัดเพื่อไปสร้างวัดสร้างโบสถ์ในในถิ่นธุรกันดาร ก็จะเป็นเจ้าพิจาการพาคนไปทอดพระป่ า, ทาบทอดกระถินทำยี้เป็นประจํามาเป็นสิบสิบเป็นสิบยี่สิบปีแล้ววันนึงแกเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็ลุกลามเร็วมากตอนนี้ระยะสุดท้า ย, ยแกมีอาการกระตุกแกมีการกระสับกระส่ายลูกหลานก็เห็นว่าแกเป็นคนธรมธรมะธรรมโมถ้าได้ฟังเทศธรรมะหรือว่าได้ฟังพระสเหมือนก็จะก็จะสงบเพราะว่าไม่สงบนะ ก็ไม่เข้าใจว่าทาไมจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงเนี่ยพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยแกก็ไปกระซิบที่ข้างหูบอกว่าโบทที่ยังสร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงนะเพราะเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จเพราะว่ามันโดนใจไงนะประโยคเนี้ยหายหายหายหายกระสับกระสายเลยหายดินเลยแปลว่าอะไรฮะแล้วก็ห่วง ห่วงเรื่องสร้างโบสถ์วงเรื่องงานพุ้ยง่ายสร้างบสถนี่เป็นของดีนะเป็นบุญกุศลแต่ว่าถ้าไปยึดติดถือมัน่นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนี่ก็มันก็เป็นโทษนะการยึดติดถือมัน่นแม้กระทั่งความดีหรือบุญกุศลนี่ก็เป็นโทษได้เหมือนกันโดยเพราะในเวลาจะตายต้องปล่อยทุกอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าหากว่าไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครมาบอกให้ให้แกปล่อยวางนะเรื่องโบสเนี่ย ก็อาจจะตายไม่ดีอันนี้เรกว่าเป็นพราความห่วงหาอลัยหรือความห่วงแหงในสัยพุทธกาลมีเรื่องราวของพระรูปหนึ่งที่ท่านได้จีวรใหม่มาสมัยก่อนจีวรเป็นของหายากแล้วนะท่านได้มาท่านไม่สนใจได้ใช้นะก็ปรากฏว่ามรณภาพกระทนทั น, ทน จิตสุดท้ายท่านเนี่ยท่านนึกถึงจีวอนด้วยความเสียดายเพราะว่าพอพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเลนอยู่ที่จีวอนอย่างนี้เราไปไม่ดีนะไปไม่ดีไปทุกขติแต่ว่าพอครบอายุไขของเลนเจ็ดวันก็กรรมดีที่ได้ทำก็สมผลทำให้ท่านได้ไปเกิดในสุกติ ประการที่สามนะความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดหลายคนเนี่ยนะไม่ยอมตายนตาก็เปิดมีผิดหัวหน้าพยาบาลเห็นะตาเปิดเอาไว้ว่างต่างี่แย่หมดแ้สัญาชีพแยหแ้วจัดกไม่ยอมตายนะตาเปิดโครงจนกระทั่งรุ่นน้องพยาบาลมาพอมาถึงเนี่ย แกก็เป็นแกเป็นมะเร็งปอดแกก็รวบรวมกำลังนะแล้วก็พูดขอโทษรุ่นน้องคนนั้นว่าขอโทษที่ทําไม่ดีกับเธอเพราะไปเข้าใจผิดว่าเธอเป็นกิ๊กกับสามีแล้วก็รู้ตัวเเข้าใจผิดก็อยุดขอโทษรุ่นน้องคนนั้นก็ให้อาภัยบอกหนูไม่โกรธพี่หนูเข้าใจพี่นะพอแกได้ขอโทษแกก็สบายใจนะมันก็ยกภูเขาจบับกแกก็หลับตา และในวันนั้นแกก็จากไปก็น่าคิดนะถ้าเกิดรุ่นน้องคนนั้นไม่ไม่มาหาแกในช่วงในวันนั้นเนี่ยแล้วเกิดว่าร่างกายแกไม่ไหวแกต้องตายเนี่ยแกคงจะตายแบบไม่ดีแต่นี่เป็นตัวอย่างนะว่าถ้าว่ามีความมีความรู้สึกติดติดค้างใจเนี่ยนะมันจะเป็นอาการของคนที่ไม่ยอมตายพยายามสู้กับความตายฝฟา์กับความตายเพื่อที่จะ เพื่อที่จะรอโอกาสที่ได้ขอโทษมันมีเคสแบบนี้เยอะเลยนะคนที่ไม่ยอมตายเกียงเพราะว่ายังไม่ได้เอ่ยคำขอเข้ามาถ้าคนรู้นะช่วยทำช่วยให้บางคนพูดไม่ออกแล้วนะพูดไม่ได้แล้วนะก็ต้องอาศัยว่าให้ให้เขาว่าตามนะ อากมีผ้าลูมหนึ่งแล้วก็รู้ว่าคนไข้วันนี้นะแกไม่ยอมตายแต่แกพูดไม่ได้แล้วจักก็รู้ว่าแกคงจะรู้สึกผิดไม่ดีกับกับสามีอากับภรรยาและลูกเพราะว่าเคยทําไม่ดีทําร้ายเพราะแกไปมีมีเมียน้อยแล้วก็ก็เลยเกิดเรื่องกับภรรยาและลูกสาวพอป่วยหนักภรรีเมีน้อยทิ้งแกก็ กลับมาอยู่ในการดูแลของเมียคนเดิมแล้วก็อยู่กันด้วยความรู้สึกที่ร้องระแวงจงกระทั่งตอนหลังเมียแล้วก็ลูกสาวเนี่ยให้อภัยแล้วก็ขอขมาแกก็เริ่มกลับมาก็สามารถจะเจ็บป่วยได้โดยที่ไม่ไม่ไม่ทุกข์ทรมานมากเพราะมีคนดูแลแต่ตอนจะตายแกไม่ยอมตาย พระเนี่ยึรู้จักใกล้ชิดกับครอบครัวเนี่ยก็ดาว่าคนไข้เนี่ยที่ไม่ยอมตายเพราะอะไรก็คือเลยบอกกับคนไข้ว่าเนี่ยในอัตามาจะชวนโยมกล่าวคำขอขอมานะของของมาแล้วก็ขอขอมาภรรยาและลูกสาวให้โยมว่าตามนะแกพูดไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเชื่อว่าแกยังรับรู้ได้ท่านก็ว่าไปนะ กรใดก็ตามที่ร่วมเกินภรรยาและลูกสาวด้วยการด้วยวาจาด้วยใจนั้นะขอขามาขอโหสิพอรับพิธีจบนะวันนั้นแกก็ไปนะมันคงไม่ใช่ความบังเอิญ น, นะอันนี้คือบางคนไม่ยอมตายเพราะว่าเขาเขายังไม่ได้เขายังมีความสุขผิดเขายังไม่ได้ขอขามาแต่ถ้าเราช่วยเขาเนี่ยเขาก็จะไปดี แต่ถ้าไม่มีใครช่วยเขาไม่มีใครรู้เนี่ยก็คงจะตายแบบทรมานนางมริการเทวีนะอาตมาลเล่าเนี่ยตอนก่อนจะตายในยแกไปนึกถึงเหตุการณ์นึงที่แกไปโกรพระเจ้าเปรตที่กศลคือแกไปพระเจ้าเประเสรตที่กสลไปเห็นแกเนี่ยนางมริการเทวีเนี่ยไปยินดีในสัมผัสกับสุนัข น, กนะก็ไม่ทราบว่าคันไหนนะก็ก็พูด โกหกจงกระทั่งพระเจ้าปเสนทิโกศลเชื่อก็ลอดตัวไปแต่ตอนจะตายเนี่ยเป็นยื่นเหตุการณ์ว่าตัวเองไปพุดธมุสาวาสจิตใจก็เศร้าหมองแล้วตอนนั้นเป็นจิตสุดท้ายพอดีอาสันน ก, กรรมเป็นอกุศลก็ไปไม่ดีไปนรกเจ็ดวันอันนี้เป็นเรื่องความรู้สึกผิด ความโกรธความโกรธที่ก็ชัดอยู่แล้วนะโกรธโกรธใครเนี่ยนะที่จรตอนจอนะตายเนี่ยนะโห่กราดเกลี้ยวกราดเกลี้ยวหมอกราดเกลียวพยาบา ล, าาลารราบางทีกราดเกลี้ยวสามีกราดเกลียวภรรยาบางทีกราดเกลียวโชคชะตานะว่าทําไมถึงทํากับเราทําไมถึงเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นบางคนเนี่ย มีนะเป็นคนที่กินแต่อาหารสุขภาพชีวตจิตแมกโรเบลติกอะไรที่ที่เชื่อว่าช่วยทำให้มีสุขภาพดีไม่เป็นมะเร็งอาหารตามมะเร็งเกกินทุกอย่างเลยแอนตี้ออกซิเดนต์อะไรต่างโอเมก้าสาสารพัดออกกำลังกายไปซาวน่าจ็อกกิง้งทำทุกอย่างเพราะเชื่อว่าจะทำให้ไม่เป็นมะเร็งเพราะว่าจะเป็นมะเร็งฮะ โกโรธมากเลยนะโบนตีโปร ต, ตีพายแล้วก็ไปรู้สึกว่าถูกหลอกแล้วต่อมาที่แกป่วยแกไม่มีความสุขแกกราดเกลี้ยวมากเลยถ้าพอจะตายก็ตา ย, ตายไม่ตายไม่สงบนะอันนี้เราโกโรธนะเป็นเคสที่แปลกมากนะคือไม่ได้โกรธใครเป็นไม่ได้โกรธใครเป็นเป็นคนๆ น, นะแต่มันเพราะความผิดหวังเนี่ยอุตสาหทุ่มเทดูแลสุขภาพอย่างดีนะ เพราะว่าเป็นมะเร็งไอคนที่กินลาบสูบะหลีดันไม่เป็นนะไอกูนี่พยายามดูแลสุขภาพดีดันเป็นนะ โ, โกรธมากเลยอันนี้มันมีจริงนะประการต่อมาคือความความเจ็บปวดความเจ็บปวดนี่เป็นสิ่งที่หลายคนกลัวมากคือกลัวว่าเนี่ยถ้าเจ็บปวดนะแล้วก็ยาก็เอาไม่อยู่นะ้ำมอร์ฟีนเนี่ยมันก็จะทุรนทุรายเนะนี่ยคือห้าประการนะที่ทําให้ ทำให้ตายไม่ดีนะที่ถามว่าจะทําให้ตายดีทําอย่างไรนะนะตายดีเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญ น, นะมันต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมเนี่ยนะเตรียมสามระดับนะเพื่อการตายดี นะระดับแรกกนะ็คือว่าเตรียมแต่เนิ่นๆนะตั้งแต่เดี๋ยวนี้การที่มีสุขภาพดีนะเราควรเตรียมอย่าคิดแต่เรื่องการอยู่ดีอย่างเดียวนะคนทุกวันนี้คิดถึงเรื่องการมีชีวิตที่ดีอยู่ดีอยู่ดีคือว่าอยู่บ้านที่สะดวกสบายมีบ้านหลังใหญ่มีรถนะมีอาชีพการงานที่มั่นคง มีตําแหน่งที่น่าพึงพอใจหลายคนจะนึกถึงเรื่องการอยู่ดีนะการมีชีวิตที่ดีแต่ไม่ค่อยนึกเรื่องการตายนี้เท่าไหร่ถ้าเราถ้าเราคิดถึงเรื่องการตายดีก็ต้องเตรียมนะประการแรกคือว่ามันทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะเพราะว่าถ้าไม่ทำถ้าไม่ทําความดีเอาไว้นะไม่สร้างกุศลเอาไว้เนี่ย จิตใจมันเศร้าหมองนะการการทําความดีเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจในชีวิตและพร้อมที่จะตายผู้เจ้าเคยตรัสไว้นะตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นะว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวปาโลรโรคปารลโรคคือภพหน้าคนเราถ้ามั่นใจในในในชีวิตที่ประกอบไพิธีกรรมเราก็ไม่กลัวความตายอีกที่หนึ่งท่านก็บอกว่า ก็พระเจ้าไม่เคยทำช่วยในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงการทำความดีเป็นหลักประการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะผ่านธรณีประตูแห่งความตายไปได้โดยที่ไม่ไม่ทุกข์ทรมานพู้เจ้ายังตัดไว้อีกที่หนึ่งนะว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิต ประโยคสั้นๆเนี่ยมีความหมาย2ประกาศแปลว่าตอนจะตายเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขได้นะความตายมันไม่ใช่เป็นช่วงแห่งความทุกข์ทรมานเดียวสามันจะมีความสุขได้เมื่อความตายมาถึงและความสุขนั้นได้ความสุขนั้นเกิดขึ้นได้ในส่วนเกิดการที่ได้ทําบุญได้ทําความดีจะเป็นความดีสิปีก่อนหน้านั้นหรือว่าทําความดีก่อนที่จะใกล้ตายก็ได้ประการที่2องเนี่ยคือการ ทำหน้าที่ให้ครบถ้วนแต่างที่จะมาบ อ, บอกไว้ว่าหลายคนเนี่ยเป็นห่วงตอนจะตายเนี่ยห่วงห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกนะและที่ห่วงพ่อหลายคนว่ายังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังทําได้ไม่มากพอยังบกพร่องแต่ถ้าก็ถ้าเกิดว่าเราทําหน้าที่ครบถ้วนหรือทําเต็มที่แล้วเนี่ยกับพ่อแม่กับลูกเนี่ยการปล่อยวางจะเกิดขึ้นได้ง่าย นะถ้าเราดูแลลูกดีเรามั่นใจว่าลูกเนี่ยยังไงเนี่ยไม่เป็นไม่ปไมปติดยาแน่นะไม่ไปติดคุกแน่นะเราก็สบายใจใช่ไหมฮะเราก็จะไม่ไม่เหมือนคุณแม่คนนั้นที่จะตายแล้วก็ยังห่วงเลย ว, ว่าลูกเนี่ยจะอายุสิบขวบที่ต่อไปจะกลายเป็นกุ้ยเป็นอักพานติดยาแล้วก็ติดคุกหรือเปล่า หรือว่าถ้าเราเนี่ยมีกิจการใหญ่โตและ เ, เ, เราเราเราทรนลูกมาดีถึงแว้เราจะตายเราก็ไม่ห่วงกิจการเพราะเราคิดว่าลูกจะสานต่อกิจการได้นะะการทำหน้าที่ให้ครบถ้วนเนี่ยโดยเฉพาะกับคนที่เรารักเนี่ยสำคัญ 3. การฝึกปล่อยวาง คนเราเนี่ยถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นนะไม่ว่าในทรัพย์หรือว่าในเราก็ตามเนี่ยปล่อยวางไม่ค่อยเป็นเนี่ยบางคนเนี่ยมีคุณคุณย่าหรือคุณยายหลายคนที่เดินนะแกห่วงลูกห่วงหลานหรือว่าหลานเนี่ยโอ้หยรักมากคนคุณย่าคุณยายนี่ก็น่าเป็นห่วงนะว่าก่อจะตายเนี่ยแกจะทําใจได้ไหม มีอากคนหนึ่งนะแกรักหลานมากเลยหลานอายุสักสามสี่ขวบได้ทั้งที่มีเด็กคนงานเนี่ยคอยคอยดูเหลนะแกก็ยังมาประกบหลานโดยเฉพเวลากินข้าวเนี่ยแกคนจีนนะก็อย่าไดห้หลานเนี่ยกินอาหารเยอะๆคอยบังคับคอยจาจีําใชให้หลานเนีกินอาหารมากๆทำนี้ประจําทุกวันทุกมือ้อ วันหนึ่งแกป่วยหนักนะเข้าโรงพยาบาลแกเข้าโร ง, งพยาบาลไปสักวันสองวันเนี่ยตอนเย็นเนี่ยก็กินข้าวกันพร้อมหน้าที่บ้านนะ้วก็มีนะก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูกคือพ่อแม่ของเด็กคนนั้นนะแล้วก็เด็กคนนั้นนะกินข้าวด้วยกันอยู่ ด, ดีเด็กก็พูดขึ้นมาพอแล้วเอมามาอิ่มแล้ว ผมไม่กินแล้วคนมาโต้งงเลยเด็กพูดกับใครว่าเด็กบอกเห็นอาม่ามาอาม่ามาจําจีจําชัยอาม่าอยู่โรงพยาบาลณตัวเนี่ยแต่ใจเด็กใจอาม่าเนี่มาถึงมาถึงโตเนี่ยนะมาถึงเราก็มาจําจีจําชัยเด็กนี้นะไม่ใช่ว่าตายแล้วถึงค่อยมาบนาะงทียังไม่ตายเนี่ยแต่ว่าจิตเนี่ยมันมันไปไปเรียบไปหาว่ามีเยอะเลยนะมันทีไปทวงเงิน ไปทวงเงินตัวอยโรงพยาบาลนี่ไปทวงเงินแก ง, งกมากเลยนะเพื่อนบ้านเนี่ยยืมเงินแกไปหลายปีแล้วไม่ยอมคืนพอจะตายเนี่ยตัวอยู่โรงพยาบาลแล้วว่าไปปรากฏตัวกับเพื่อนบ้านทวงเงินเพื่อนบ้านนี่รีบวิ่งมาที่โรงพยาบาลบอกว่าจะมาว่าจะคืนเงินให้เนะอันนี้ก็เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยไม่วางความง ก, กนั้นะ ความงกก็ดีความห่วงลูกเนี่ยนะถ้าคุณไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยเวลาปล่วยก็ป่วยแบบทรมานนะแล้วเวลาจะตายก็อาจจะตายไม่สงบนะนั้นต้องฝึกปล่อยวางนะแล้วก็ประการที่สี่คือมันเจริญสติอยู่เสมอนะเจริญสติแล้วก็สมาธิด้วยนะสติกับสมาธิมันคนละตัวนะแต่มันใกล้กันสติคือความระลึกได้สมาธิคือความมั่นคงแน่วแน่มีสติ ในสิ่งใดก็ตามก็จะมีสมาธิกับสิ่งนั้นฝึกเอาไว้นะเพราะว่าเวลาป่วยนะเวลาป่วยนะบางทียาเอาไม่อยู่นะมอฟนเอาไม่อยู่นะถึงตอนนั้นเนี่ยต้องใช้ใจละมีมีคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งที่ลำไส้นะ แล้วก็ตอนท้ายๆเนี่ยมันปวดมากแกเอาไม่อยู่แกมเมลินมาฟินมฟีนเอาไม่อยู่นะแกก็ทรมานมากเลยแต่ว่าสักพักแกได้สตินะคือแกเคยไปปฏิบัติธรรมมาแล้วแกก็เลยแกได้ฝึกการเจริญสติมาแกก็สตินี่มันใช้ก็คือว่าภาษาของคุณคุณคุณลุงคนนี้นะฮะ บอกสติเนี่ยดึงจิตไว้ที่หัวไหล่แล้วก็มาดูท้องที่ปวดท้องยังปวดอยู่นะแต่ว่าใจสงบแล้วแต่พอเพอสติเมื่อไรจิตมันไปลงกับกายนะก็ปวดใหมนะ่พอมีสติขึ้นมากลับมาดนะูก็ช่วยทำให้ใจเนี่ยเป็นปกติหรือสงบได้แม้ว่าท้องจะปวดอยู่สำคัญนะฮะ สติเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นผู้ดูนะมันช่วยทําให้ไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดหลวงพ่อของอตมาหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยนะท่านท่านมีช่วงท่านเป็นมะเร็งนะมะเร็งมันก็ไปลามไปที่ตับอ่อนหมอก็กดนะแล้วก็ถามหลวงพ่อปวดไหมอกปวดปวดรอยเกินร้อยอ่าแล้วทําไมหลวงพ่อไม่ร้องอะ่ะท่านก็บอกว่าในเมื่อปวดอยู่แล้วเนี่ยจะร้องทําไมให้ขาดทุนนะ คือปวดก็เป็นเรื่องของมันร้องเนี่ยมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แล้วท่านก็บอกว่าอาการปวดเนี่ยนะถ้าบอกว่าความปวดเนี่ยมันไม่เท่าไหร่มันไม่ลงโทษเราไอ้การเป็นผู้ปวดต่างหากนะที่มันลงโทษเรามันแตกต่างกันนะระหว่างนะระหว่างว่าอาการปวดอาการปวดเนี่ยมันไม่ลงโทษเราปวดนี่คือปวดกายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ปวดเมื่อไหร่เนี่ยมันปวดมากเลยมันลงโทษเรา เป็นผู้ปวยคือว่าไม่มีสตินะถ้าบอกว่าอาการปวดเนี่ยมันความปวดเนี่ยมันมีไว้เห็นนะอย่าเข้าไปเป็นมันคนที่เจริญสติมาจะจะเข้าใจนะครับว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นนะการรู้จักดูเวทนาโดยที่ไม่เป็นไม่ไปยึดเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยอันนี้มันช่วยได้มากนี่เป็นเรื่องของสติสมาธิ ก็ช่วยได้เยอะนะฮะคุณหมอมาาท่านเคยเล่าว่าเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์แล้วก็มาเลงลามไปถึงกระดูกตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยคนไข้เนี่ยปวดมากเลยนะหมอให้มอร์ฟีนก็เอาไม่อยู่นะฮะหมอให้มอร์ฟีนทุกสามชั่วโมงคนไข้บอกขอทุก สชั่วโมงได้ไหมขอทุกชั่วโมงได้ไหมหมอบอกให้ไม่ได้มันมันมากไปแล้วปวดมากจนหลับนอนไม่ได้ต้องนั่งนั่งก็งอกร อ, องอกิง น, นะเหงื่อเนี่ยเป็นเม็ดตัวโตเลยแล้วก็ตัวนี่ซีดนะคุณหมอมาลาเห็นแล้วก็อยากช่วยก็ถามว่าคนไข้เคยทําสมาธิไหมไม่เคยเมืเ่อไหร่ก็จะแนะนําหายใจเข้าพุทธ หายใจออกโทรหายใจก็บริกรรมผู้หายใจออกก็โทรคนไข้เนี่ยก็ลองทำาึงเพราะว่าที่แรกก็นึกว่าคุณหมอมาแล้วคิดว่าทำได้สักห้าทีก็เก่งแล้วเพื่ะปวดแล้วแกไม่เคยทำห้าทีผ่านไปแกก็ยังนั่งสมาธิอยู่สิบนาทีผ่านไปย0สิบนาที3ามสิบโอ้แกนั่งสี่สิบห้านาทีนะแล้วยิ่งนั่งยิ่งดีนะตอนพอนนั่งเนี่ยร่างกายก็เริ่มผ่อนคลาย พอนั่งสมาธิเสร็จลืมตาขึ้นมาก็ดูแจ่มใสป่าเป็นสีชมพูเลยนะไอเ้เหงือไม่โตโตหายไปเลยความปวดมันก็ทุดเราไปเลยแจทึ่งเลยนะโอ้สมาธิมันช่วยได้ขนาดนี้เชิญเลยคุณหมอเมแล้าก็แปลกใจนะว่าคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิทําไมนั่งได้นานแล้วนั่งได้ดีด้วยสอบถามก็ได้ความว่าคนไข้คน ai, คนี้แกมีสมาธิของงานเวลาแกเอาสมาธิออกงานมาใช้กับลมหายใจมันก็ได้ผลเหมือนกัน อัเนียเราเนี่ยเราต้องฝึกเอาไว้นะฮะอย่างที่ตะมาว่าความปวดเนี่ยมันก็สามารถทำให้ตายไม่ดีได้งั้นเราก็ลองและเราจะพึ่งยาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องพึ่งพึ่ง ส, สติสมาธิด้วยนะแลวถ้าเรามีสติดีนะไอความรู้สึกผิดติดค้างใจอารมณ์โกรธต่างเนี่ยเราจะปล่อยวางได้ง่ายคราวนี้เนี่ยนี่คือช่วงที่ว่ า, าต้องตีบแต่เนินเน่นๆนะอยวไปเตียมมาตอนจะใกล้ตายมันจะไม่ทันการ อันนี้พอรู้ว่าสมมติป่วยหนักรู้ว่าเป็นมะเร็งหรือว่ารู้ว่ า, ามีโรคเช้โรคหัวใจนะหรือว่าเริ่มมีอาการโรคหลอดเลือดสมองสตโตรกเนี่ยความตายมันเข้ามาใกล้ตัวแล้วก็ต้องเตรียมตัวอีกขั้นหนึ่งนอกจากที่พูดมาแล้วเนี่ยนะจะช่วยตายดีแล้วเนี่ยต้องจัดการอะไรบ้างนะเตรียมภายนอกนะเช่นจัดการทรัพย์สิน พีนัยกรรมต่างๆใครมีทรัพย์มากๆก็ต้องจัดการนะเพราะว่าหรือแม้กระทั่งงานจะธุรกิจที่จะโอนให้ลูกให้หลานเนี่ยก็ต้องเตรียมม้ลนะคนที่มีทรัพย์สินเยอะอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ถ้าทรัพย์สินไม่ค่อยมีก็ก็สบายใจได้ประการต่อมาคือเตรียมคนรอบตัวลูกหรือคนรอบข้างเพราะว่าถ้าลูกเขาไม่เข้าใจนะะ คนรอบข้างไม่เข้าใจเนี่ยเวลาเห็นเราป่วยหนักแล้วเขามาร้องห่มร้องไห้นี่เราก็อาจจะไปไม่ดีได้นะฮะเมียมากคนหนึ่งเนี่ยแกก็แปดสิบเก้าสิแล้วนะแล้วก็ แ, วกแกก็ร่ำรวยนะแต่ว่ารวยแค่ไหนเนี่ยถึงเวลาตายมันก็ห้ามไม่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลอาการแกก็แย่ลงแย่ลงฉัน ญ, ญาชิชีวค่อยแย่ลงแย่ลง ลูกหลานก็รู้ว่าแกใกล้จะไปแล้วก็มาล้อมนั่งมายืนอยู่ล้อมเตียงนะก็เห็นแ ก, กค่อยไปนะแย ก, ก็ไม่มีการทุรนทุรายเลยนะแต่สัญญาณชีพมันค่อยไปเรื่อยๆอยู่ๆเนี้ยลูกชายลูกชายคนโตเนี้ยห้ามใจไม่อยู่ก็ร้องไห้พอร้องไห้บอกว่าสัญญาณชีพของแกนะสัญญาหัวใจมันขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเลยนะแล้วก็ ไม่นานก็ก็ตายแต่มันไม่จบแค่นั้นนะเพราะว่าลูกหลานก็ฝันว่าแกมาแล้วก็เหมือนกับว่ามาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ได้ยินแยัมแก่มใสเลยจนกระทั่งเขาลูกหลานเชื่อว่าแกไปไม่ดีจริงหรือจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าไอการที่มีคนมาร้องไห้เนี่ยมันผลมันเห็นชัดเลยนะว่าคนไข้ซึ่งเขาจะตายเนี่ยเขาเเขาไม่ตาย เขาตกใจหรือว่าเขากลัวเขาวิตกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานเนี่ยเขาจะต้องจะต้องเตรียมและโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราเนี่ยตั้งใจว่าเราอยากจะตายโดยที่ไม่ไม่ต้องการการยือ้อนะเราต้องการตายแบบตายแบบสงบโดยที่ไม่ยือ้อซึ่งจะพู่นตอนท้ายๆนะฮะตอนไม่ต้องการให้เจาะค อ, อไม่ต้องการใส่ท่อไม่ต้องการปั้มหัวใจนะ อันนี้ต้องคุยกับลูกหลานให้เข้าใจเพราะทุกหลานไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะคิดว่าการยื้อเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้กับคนคนป่วยเลยเพราะคนที่เป็นพ่อแม่และพอยื้อเข้าไปแล้วนะบางทีมันสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเราให้กับคนป่วยตัวอย่างมีเยอะมากนะไม่ต้องพูดถึงว่าเงินที่หมดไปเป็นหลายสิบล้านเพราะว่าเป็นผักเสแล้วนะอันนี้นี่เป็นพ่อส่วนของเขาไม่ไม่มีการเตรียม ไม่มีการเตรียมลูกไม่มีการเตรียมคนใกล้ชิดว่าเราอยากจะตายแบบไหนเราอยากจะตายที่บ้านบางคนอยากจะตายที่บ้านแต่ว่าไปลงเอาบลงที่โรงพยาบาลแถมไปลงเอาบที่ห้อง ICU ทั้งที่ไม่ชอบเราอยากจะตายแบบที่เราไม่ต้องการยือ้อย่างหลวงพ่อของตมานเนี่ยท่านสั่งไว้เลยนะท่านถ้าท่านท่านตัดสินใจเองไม่ได้เนี่ยไม่ต้องท่านขอปฏิเสธการผ่าตัดใหญ่ ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ต้องมีการปั้งหัวใจนะสำหรับพราเนี่ยพูดง่ายแต่สำหรับคนไข้ที่เป็นคาราว่าแล้วก็มีลูกหลานซึ่งซึ่งไม่เคยทำใจเรื่องนี้เนี่ยมันมักจะลงอวยการยือ้อแล้วก็ทรมานทุกฝ่ายนะฮะงั้นก็ต้องเตรียมนะเตรียมว่า เราอยากตายแบบนั้นเราอยากตายสงบไม่ต้องการให้คนมาร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องการยือ้อมีการสั่งเสียให้เรียบร้อยนะแล้วก็กําชับว่าให้ทําตามเจตนาของเรามีการทำเร่อง living view นะคืออันนี้อาจารย์สแสวงที่ว่าท่านคุณยมพูดพรุ่งนี้นะฮะเรื่องนี้เรื่องอพินัยกรรมชีวิตหรือว่าการแสดงเจตจานงรวงหน้าประงารต่อมาคือเตรียมสถานที่ เช่นถ้าอยากจะตายที่บ้านเนี่ยก็ต้องเตรียมสถานที่ให้มันหน้าตายนะฮะส่วนใหญ่เราสร้างบ้านให้หน้าอยู่นะแต่ว่าเราไม่ค่อยนึกถึงการสร้างบ้านให้หน้าตายเวลาถามหลายคนนักธารจะอบรมเระชวรความตายส่มาสิบ ป, ปีแล้วเนี่ยเวลาถามนะว่าอยากจะตายที่ไหนคนส่วนใหญ่บอกตายที่บ้านอยากจะตายที่บ้านส่วนใหญ่นะแต่ว่าถ้าถามว่าเราสร้างบ้านให้พร้อมให้หน้าตายหรื อ, อยังเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะ ยังไม่ได้คิดเลยอยากจะตายที่บ้านฮะแต่ว่าไม่ได้สร้างบ้านให้หน้าตายมันก็ไม่สมประโยชน์มันก็ไม่สมเจตนาลมนะฮะเพื่อนตามานเนี่ยนะเมื่อรูวตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยนะเธออยากจะตายที่บ้านแล้วเธอปฏิเสธการรักษาที่โรงพยาบาลเธอเป็นคนที่หัดใหญ่ทำงานที่กรุงเทพเธอกลับมาที่หัดใหญ่เธอมาซ่อมแซมบ้านเธอมาจัดว่าถ้าเจอป่วยเธอจะ เธอจะรักษาตัวเธอยันนอนที่มุมไหนแล้วก็เธอก็เริ่มทําสวนหน้าบ้านทําสวนในบ้านเพื่อที่ว่าเมื่อเธอมองจากเตียงเธอจะเห็นสวนเห็นดอกไม้เธอเตรียมมาเรียบร้อยเลยแล้วเธอก็ได้ตายที่บ้านสมใจและตายสงบด้วยหลวงพ่อของตามาเนี่ยมามาเยี่ยมเธอก่อนตายเดือน2เดือนก็เปล่าเออพรเธอชื่อพรเนี่ยสร้างบ้านให้หน้าตายนะบ้านเธอหน้าตายนะ เห็นะอยาคิดว่าหน้าอยู่เยอะนะต้องถ้าเราเชื่ออยากตายที่บ้านก็ทำบ้าให้มันหน้าตายด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องการการเตรียมนะฮะเตรียมเมื่อรู้ว่าใกล้ตายแล้วนะตอนนี้ตอนที่ใกล้ตายจริงๆเนี่ยนะเช่นอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะเตรียมเตรียม2 อ, อย่างสําคัญอย่างแรกคือเตรียมใจฮะ การเจริญร้อนนัศสติเสมอเนี่ยเจริญร้อนนัศสติว่าเนี่ยนะที่จริงมร้อนนัศสติมันต้องเตรียมแต่เนิ่นๆแล้วนะมิเอะจะมาพูดข้ามไปวือต้องเตรียมต้องพิจารณาเสือว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก่อนนอนเนี่ยให้ลองเจริญมร้นัศสติว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะตายว่ารุ่งขึ้นก็ได้อาจตายคืนนี้ก็ได้นะนั่นคือตอนที่เรามีสุขภาพดีและยิ่งเราป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยิ่งจะไมต้องเจริญร้อนนัศสติทุกวันมันมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ที่ว่า มันทําให้เราคุ้นชินกับความตายแล้วคนเราถ้าคุ้นชินแล้วเนี่ยเราจะกลัวตายน้อยลงแล้วมันทําให้เราไม่ประมาทกับชีวิตมันจะกระตุน้นเราเร่งเร่งทำความดีเร่งศสาสางปัญหาต่างเร่งศาสางปัญหาต่างๆเพื่อได้ไม่ห่วงกังวลแล้วก็เร่งทําหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เตรียมใจนะ่าหนึ่งจเจริญรสนะ่สติสองหมัน่นทำบุญทำกุศสลสามจเจริญสมาธิภาวนา ยิ่งใกล้ตายเนี่ยยิ่งต้องเติวให้เข้มข้นคือเรื่องการทําสมาธิโดยอเพราะเรื่องการปล่อยวางเรื่องการมีสติสมาธินะตำทำใจยอมรับอาจารย์กาพลทองบุญนุ่มเนี่ยนะเป็นเป็นคนพิการแล้วก็แกก็เป็นเป็นอาจารย์สอนธรรมะที่น่าทึ่งมากเพราะว่าพิการมา30มสิบปีนะแต่ว่าจิตใจเนี่ย สดใสามากไนงะเขียนหนังสือเรื่องนึงชื่อว่าจิต ส, สดใสแม่กาจิตการโวยขายพิมพ์มารุดเป็นส0บสิบครั้งแล้วมั้งตอนนี้เป็นมะเร็งที่ตับนะแต่ก็ไม่มีไม่มีท่าทีของความรู้สึกเศร้าหรือว่าความวิตกกังวลอาจารย์ครับผมบอกว่าเนี่ยผมยอมรับอยู่3ามอย่างหนึ่งยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่ามะเร็งที่แกเป็นเนี่ยมารักษามไม่ได้สองยอมรับความเป็นไป ก็คือว่ามันมีแต่แย่ ๆ, ๆลงแย่ลงแล้วก็ตาย 3. ยอมรับความตายยอมรับความจริงยอมรับความเป็นปายแล้วยอมรับความตายอันนี้ธรรมะช่วยเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นวิธีที่ดีมากนะซึ่งมันก็ต้องเกิดจากการที่ทำสมาธิภาวนา 2. นะนี่เตรียมใจน ะ, ะมีเวลาพูดไม่มากนะฮะธรรมะจะพูดประการที่ 2. คือเตรียมกาย เตรียมกายเนี่ยหมายเขาว่าคุณต้องการการรักษาแบบไห น, เ, นเมื่อกี้ได้พูดไว้หน่อยแล้วเนี่ยเพราะว่าการรักษาแบบไหนเนี่ยมันมีผลนะว่าไม่ทําให้คุณตายสงบตายสงบได้ง่ายขึ้นหรือว่ายากกว่าเดิมเช่นถ้าคุณถ้าคุณรู้ว่าจะต้องตายแน่ แ, นแต่ว่าไปใช้วิธีการยือ้อต่อคอใส่ท่อเนีมันหมายซึ่งมันมักจะทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลง แล้วก็ทำให้เพิ่มความเจ็บปวดความทรมานมากขึ้นก็ได้นะถ้าคุณรู้ถ้าคุณจะต้อ ง, ต, องต้องการการรักษาแบบไหนคุณก็ต้องคิดแล้วว่าภาษาฝรัง่งเขาเรียกว่า advance care plan นะก็คือว่าจะต้องเตรียมการรักษาล่วงหน้าว่าต้องการการรักษาแบบไหนจะต้องคุยกับหมอนะอันนี้มันมันจะมันจะมัะมะสมัยกับเรื่อง p a l l t i c e care ที่เราที่เป็นประเด็นของการสัมมนาคราวนี้ คือปกติเนี่ยการรักษาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะเราให้หมอเนี่ยเป็นคนตัดสินว่าจะรักษาเราแบบไหนนะอันนี้เป็นมานานลวหมอเป็นคนตัดสินคนไข้ไม่ต้องถามมากหมอก็ให้หมอก็เป็นคนแอดซไน์และตอนหลังก็มีการวิพากษ์วิจารว่าวิธีนี้มันมันมันสร้างปัญหามากกับคนไข้หมอเป็นผู้ผูกขาดมันก็เป็นสวิงไปอีกทางหนึ่งนะ ก็คือว่าหมอไม่ตัดสินละหมอให้คนไข้ตัดสินนะหมอทานหน้าที่บอกว่าเนี่ยวิธีการมีอะไรบ้างหนึ่งสามสี่ห้ามีวิธีการรักษาแบบไหนเพ่ให้คุณเลือกเหมือนเซลแมาเลยนะคนไข้ก็เลือกไม่ได้เพราะไม่มีความรู้แนวโน้มที่มันควรจะเป็นนะั่นแล้วก็เริ่มเริ่มทำกันมากขึ้นนะทั้งในเมืองไทยแล้วก็อเมริกาเนี่ยคือว่าปรึกษาระหว่างหมอกรเพยะหมอคนไข้ว่า ต้องการการักษาแบบไหนอะไรคือสิ่งที่คนไข้ต้องการอะไรคือโกของคนไข้นะอะไรคือสิ่งที่คาดหวังอะไรคือสิ่งที่กลัวแล้วก็มาปรึกษาร่วมกันก็ทําให้เกิดการวางแผนที่เราว่าการวางแผน a แอดวาน c a r า Plan ร่วมกันอันนี้เนี่ยอาจารมาอยากจะพูดว่าอาจจะตายดีหรือไม่เนี่ยนอกจากการเตรียมใจอย่างที่พูดเมลเนี่ยมันยังอยู่ที่ว่า มันยังขึ้นอยู่อาการระยะสุดท้ายด้วยอาการทางกายระยสุดท้ายนะแต่ตายดีหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับอาการทางกายในระยะสุดท้ายอาการทางกายเนี่ยในระยะสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ2อย่างคือโรคและการเยียวยารักษานะโรคบางโรคเนี่ยมันสร้างความทุกข์ทรมานมากโรคบางโรคมันก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานแม้แต่เป็นมะเร็งด้วยกันก็ตามแต่ความทุกข์ทรมารส่วนก็มาจากการเยวยารักษาใช่ฮะ เพราะถ้าเป็นการรักษาที่มุ่งในเรื่องการยื้อชีวิตนะมันก็ก็คงจะมีวิธีการที่เขาเรียก aggressive มากขึ้นหรือ invasive นะต่อร่างกายโดยเพราะถ้าเป็นการการการักษาเพื่ อ, อยื้อชีวิตโดยเพราะหรือคิดว่าจะรักษาให้หายเนี่ยที่เขาเรียก curative care เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสร้างความทุกข์ทรมารคนไข่ามาก การเยียยาสายแบมก็คือการช่วยลดความทุกข์ทรมายคือไม่มุ่งยื้อชีวิตแต่ว่ามุ่งลดความทุกข์ทรมายของคนไข้อันนี้แหละที่เป็นหัวใจของ p a l l i a t i v care นะมันมีตัวเลขมันมีการวิจัยที่น่าสนใจนะฮะในเอเมริกาเนี่ยก็ยคือว่าเขามีการศึกษาวิจัย คนไข้สองกลุ่มเป็นมะเร็งแล้วเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นโรคที่ร้ายแรงนะส่วนใหญ่เป็นมะเร็งนะสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะเน้นการยือ้อใช้การเจาะคอปั๊มหัวใจช็อตหัวใจรวนทั้งอยู่ในห้องไอซใช้กระบวนการต่างๆที่ที่ที่คุ้นเคยกลับไปส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช้วิธีการเหล่านั้นไม่ใช้เลยนะฮะซึ่งก็หมายถึงคนไข้ซึ่ง อาจจะเป็นคนไข้ที่ใช้การรักษาแบบพลาติกแคร์หรือว่าคนที่อยู่ในฮอสปิสตเพราะว่าระยะสุดท้ายกลุ่มแรกเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยจะมีคุณภาพาชีวิตแยก่กว่ากลุ่มที่2อนะอันนั้นยังไมยง่ยังไม่เท่าไหร่นะเขายพบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่2เนี่ยนอกจากมีความทุกข์ทรมานน้อยกว่าแล้วเนี่ยยังสามารถจะช่วยตัวเองได้มากกว่า ยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์ดีกว่ากับผู้อื่นได้ดีกว่าแล้วก็ยืนยาวกว่าด้วยกลุ่มแรกนี้ใช้เงินมากเหลือเกินนะแล้วก็มุ่งที่จะยือชีวิตนะฮะแต่ว่าคุณภาพชีวิตแย่ลงแย่ ก, กว่ากลุ่มที่สองนะมีการวิจัยอีกที่อีกแห่งหนึ่งนะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยที่โรงพยาบาลแมสซชูเซสนะเอาพวิจัยผู้ป่วยมะเร็ง ปอดระยะสุดท้ายจำนวน150คนทาเมื่อสี่ห้าปีที่แลกนึ่งปี53ก็พบว่าระหว่างผู้ป่วยกลุ่มแรกเนี่ยที่เรียกว่าทำทุกอย่างเลยฉีดเคโมใช้ชแสงนะแล้วก็ผ่าตัดรวมทั้งว่ามีการยือ้อนะทั้งที่รักษาไม่หายแล้วเนี่ย กับผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งนะที่เลิกรักเทีมีบําบัดเพราะไม่คิดจะยุ่ยชีวิตและหันมาใช้การแพทย์แบบประครับประคองในโรงพยาบาลก็ดีที่บ้านก็ดีหรือสถานผู้ป่วยสถานบันเทาดูแลผู้ป่วยและสุดท้ายที่เรา cross s t c h ก็ดีเนี่ยเพราะพวกกลุ่มที่2เนี่ยนอกจากจะมีความทุกข์ทรมานน้อยกว่าผู้ป่วยที่ใช้เทียมบำบัดแล้วเนี่ยปรากฏว่า มีชีวิตยืนยาวกว่าคนกลุ่มแรกอีกยังมีชีวิตยืนยาวกว่าคนกลุ่มที่ใช้เคมีบําบัดเนี่ยถึงร้อยลยี่สิบห้าอันนี้มันน่าแปลกใจมากคือคนกลุ่มที่เขาเลือกใช้เคมีบำบัดเนี่ยเขาเขาไม่คิดจะยื้อแล้วเขาพร้อมตายแต่ดันไม่ต้องมีแดานนะแต่กลับมีนอกจากคุณภาพชีวิต ด, ดีดีกว่าแล้วเนี่ยยังสามารถจะอยู่ได้ยืนยาวกว่ากลุ่มแรกที่ต้องการยือ้อ นะและความเจ็บปวดมันมีวิจัยอีกตัวหนึ่งนะในอเมริกาเขาก็เอากลุ่ม2กลุ่มเหมือนกันนะกลุ่มที่เรียกว่ายื้อนะด้วยกระบวนการแบบเคอร์จิทแคร์แล้วก็ใช้วิธีการที่ทุกทุมเททุกอย่างกลับไปกลุ่มหนึ่งบอกไม่เอาแลวนะฉันขอไปใช้พคอร์เรจิทแคร์ เขาพบ ว, ว่าอกลุ่มหลังเนี่ยตัดสินใจที่จะไปห้องเออาเนี่ยคนที่ไปเออเนี่ยห้องฉุกเฉินเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งตัดสินใจไปโรงพยาบาลและไอซูลดลงถึงสองในสามแล้วคนแก่นี่ยเขาพบ ว, ว่าคนแก่กลุ่มหลังเนี่ยไปไอซูเนี่ยลดลงแปดสิบห้าอร์เซ็นต์นะ คือเขาเลือกที่จะไม่ไปเพราะเขารู้ว่าไปแล้วเนี่ยมันทรมานแล้วเขาเลือกที่จะอยู่บ้านเขาเลือกที่จะไม่ใช้วิธีการที่แทรกแสว น, นั้นและเชื่อได้ว่าคนกลุ่มเหล่านี้นะที่เขาพร้อมจะตายเนี่ยมีโอกาสที่จะตายสงบหรือว่าตายดีมากกว่าแล้วที่มันน่าน่าสนใจอันนี้คือว่าเขาเขายังศึกษาไปถึง ญาติผู้ป่วยญาติผู้ป่วยญาติของผู้ป่วยที่ใช้วิธีการยื้อเนี่ยเมื่อผู้ป่วยตายแล้วเนี่ยในภายในหเดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าญาติของผู้ป่วยกลุ่มนเนี้ยถึงสามเท่าญาติของผู้ป่วยที่ใช้วิธีการยื้อนะมีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าภายในหเดือนหลังการตายของผู้ป่วยเนี่ย เป็นสมเท่าของผู้ของญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการตายแบบสงบหรือว่าต้องการรักษาแบบประคับประคองอันนี้เนี่ยมันทั้งหมดที่พูดมาเพื่ออะไรเพื่อเชืเห็นว่านอกจากการเตรียมใจอย่างที่ธรรมมาพูดมาแล้วนะฮะแล้วนอกจากการเตรียมคนเช่นลูกคนใกล้ชิดแล้วนอกจากการเตรียมทรัพย์สมบัติเตรียมสถานที่แล้วเนี่ยวิธีการรักษา ในระยะสุดท้ายเนี่ยก็สำคัญที่สามารถจะส่งผลต่อผู้ป่วยว่าจะตายดีหรือตายไม่ดีได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้นะฮะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการตายดีเนี่ยนะมันต้องมีการตากเตรียมครบถ้วนรอบด้าน360องศานะ เตรียมกายเตรียมใจเตรียมครอบครัวเตรียมเตรียมสาส้างหน้าที่การงานภารกิจต่างๆรวมทั้ ง, ง, งเตรียมสถานที่ด้วยนะก็คิดว่าพอสมควรกัเวลาแล้วนะฮะก็คงจะข อ, อยุติเพียงเท่านี้ ไม่ถามนะครับพูกเราก็ประมือแพับตั้งจิดอธิษาครับแต่ชุบร้องกันครับน2 3สองสากับนมัสการขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์เปสายนะครับที่ด